ความรู้สึกที่เป็นที่อยู่ของจิตเพ่งไปกับายาตนาภายนอกกับการเอาที่อยู่ของจิตมาอยู่กับายาตนาภายในมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วการรักษาจิตระหว่างเราเอาจิตไปอยู่กับายานตภายนอกกับายานตราภายในเนี่ยอันไหนง่ายกว่าเมื่อกี้เราอยู่ในห้องนี้เหมือนหรืว่าเอาจิตมาอยู่กับยาตนะภายในใช่ เมื่อเราออกไปนอกห้องเหมือนเราเอาจิตไปอยู่กับยาตนัภายนอกบรรยากาศจะแตกต่างกันไหมสังเกตไหมจิตอันไหนจิตจะอยู่ได้ง่ายกว่าข้างในง่ายกว่าเนี่ยข้างนอกข้างนอกมีสิ่งเร้าเยอะกว่ารักษาจิตได้ยากข้างในมีสิ่งเร้าน้อยรักษาจิตได้ง่ายเออเรื่องของวิปัสสนาเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นการใช้ปัญญาทุก ข, ขั้นตอน ใช้สีละสีขาจิตแต่สิขาและปัญญสิขาแต่วิถีของสมระเป็นการใช้ <c oughs> เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือการบังคับให้จิตอยู่ยเฉพาะจุดเฉพาะทางเพื่อหลบเลี่ยงอารมณ์อะไรบางอย่างที่ยังควบคุมไม่ได้ทีนี้ในการศึกษาระบบใหม่เนี่ย ที่มาพยายามทำอันนี้คือการวิเคราะห์ในการพฤติกรรมของตัวเองทุกขั้นตอนซึ่งมันจะเปลี่ยนจากเมื่อก่อนที่นั่งฟังพระบรรยายทีละชั่วโมงชงชั่วโมงเลื่อยเชื่อยไปถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่านั้นเป็นสพิธีของสมถะคือกล่อมเราให้เกิดศรัทธาให้เกิดความประสาธะเสียก่อนแต่ในระดับเราทึ่งเป็นคนวัดคนวาผ่านการศึกษามาเยอะเนี่ยก็ไม่จําเป็นละบรรยากาศแบบนั้น แต่ต้องการบรรยากาศที่เป็นลักษณะวิเคราะห์วิจัยในพฤติกรรมของตัวเองในแง่ของกายของจิตของตัวเองซึงเราก็เหมาะที่จะเรียนวิปัสสนาได้นะนะ น, นั่นเองในพูดถึงว่ายัตนะภายนอกหมายถึงว่ารูปเสียงจิโรสสัมผัสที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานะถ้าหากว่าเราจะไปเอายัตนะภายนอกเป็น เป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งของจิตเนี่ยมันควบคุมยากเพราะอะไรเพราะระดับของการสั่นสะเทือนมันไม่แน่นอนอไปที่บางแห่งรูปอลังการรูปน่าเกลียด ร, รูปน่ารักไปที่บางแห่งเสียงดังเสียงค่อยไปที่บางแห่งกลิ่นลดสัมผัสแตกต่างไปตามบรรยากาศบางที่บางแห่งเย็นบางที่บางแห่งร้อน แต่เข้ามาอยู่เยตนาภายในบรรยากาศมันจะคงที่รูปเสียงกิริสัมผัสมันจะคงที่เมื่อเปรียบเทียบอย่างนั้นจิตของเราที่วิ่งไปกับอเยตนาภายนอกตามระดับที่ไม่แน่นอนไม่คงที่เนี่ยกับเอาจิตมาอยู่อเยตนาภายในคืออาการของรูปเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันปรากฏอยู่ข้างในเนี่ยซึ่งมันมีระดับที่แน่นอนคือไม่หวือหวามันจะ ปวดเมื่อยขัดอุ่นเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงพวกนี้มันก็จะอยู่ในระดับที่ที่เราปรับได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเราไปสัมผัสยันะมันปรับได้ยากเพราะมันเป็นปัจจัยภายนอกเราปรับไม่ได้แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับยัตนาภายในเนี่ยมันเป็นเหตุใจภายในเราปรับได้อันนี้คือความแตกต่างว่าเพราะเณตพระพุทธองค์ถึงกล่าวว่าการที่ ทำจิตให้สงบอย่างสูงสุดไปถึงขั้นพรมเนี่ยมันทะลุปไปหาอาริยะไม่ได้อริยะภูมิไม่ได้เป็นพรมบกภูมิคือไปสู่รูปขั้นละเอียดที่เรียกว่าปรมาตามันหรมหาตามันตั้งแต่อัตมันมหาตามันปรมาตตมันพรมมันขึ้นไปขึ้นสูงสุดแค่นั้นเป็นรูปละเอียดที่สุดซึ่งไปพ้นจากรูปไม่ได้ในพบของรายละเอียดของสมถะ จึงไปเกิดเป็นพรมแต่พอมาสู่หลักของวิปัสนาทําลายทั้งเด็ดต้นเลยไม่มีไม่กระทั่งอัตตาเป็นอนัตตาเพราะเป็นอนัตตาราบก็จะเปลี่ยนเป็นสติสมธิปัญญาญาทัศน์ไปอีกสายหนึ่งต่างหากเลยที่ก็เป็นวิปัสนาะนั่นเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นความ แตกต่างชัดเจนเราก็จะตัดสินใจได้ว่าเราควรเจริญสมถะหรือวิปัสนาสำหรับเราที่จะให้ระยะทางแห่งการเวียนว่ายใจเกิดของจิตเนี่ยมันสั้นลงมาเนี่ยเราก็เลือกว่าทางวิปัสนาน่าจะง่ายกว่าเพราะอยู่ในเงื่อนไขที่เราปรับเองได้ควบคุมได้แต่ทางสมถะนั้นการที่เราจะไปควบคุม เ, เงื่อนไขไปัจจัยเงื่อนไขภายนอกนั้นยากมากเพราะฉะนั้นเราก็ควบคุมจิตอย่างเดียว เพราะปัจจัยภายนอกคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นสมถะจึงหนักในการควบคุมจิตบังคับจิตควบคุมจิตโฟกัสจิตให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพื่อไม่ให้มันกระเจิงไม่ให้มันกระเจิงไปกับอายตนะที่ตัวเองควบคุมไม่ได้เข้าใจไหมจุดนี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นในลักษณะความสัตย์จึงส่วนใหญ่จึงเป็นการบังคับจิตควบคุมจิตให้ลักษณะที่ให้เป็นจุดเดียวให้ได้ที่เรียกว่าเป็นฌานอย่างสูงสุด ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งถึงระดับที่แปดครอบคุมได้มากก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถามว่ามันพ้นจากวิสัยของรูปไหมไม่พ้นก็ยังเป็นรูปอยู่ดีเขาเรียก อ, อรูปภูมิอารูปภพ น, น, นั้นเมื่อเรามาศึกษาวิปัสสนาก็ต้องมาศึกษาโครงสร้างภายในว่าในตัวอยายตนะภายในคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่มากระทบกับเยตนาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็จะเห็นขอบเขตของการสั่นสะเทือนภายในได้ง่ายกว่าเช่นรูปกระทบตาการสั่นสะเทือนในแง่ของตาของรูปแทบจะไม่ปรากฏแสบตาคันตาแต่รูปภายในจิตปรากฏเป็นความชอบความไม่ชอบ ความสวยความงามความไม่งามเสียงก็เหมือนกันกระแทกกระทันที่หูอาจจะหนักหูแต่ใจเราก็รับไปปรุงต่อเนี่ยควบคุมกันได้ยากทางภายนอกที่เข้ามาแต่ภายในนั้นเรามาดูที่อาการสั่นสะเทือนของธาตุต่างๆทั้งสี่ดินน้ําลมไฟซึ่งออกมาเป็นเพียงสองอาการคือสบายและไม่สบายสุขและทุกข์ทนได้และทนไม่ได้เท่านั้นเองแล้วก็ค่อยปรับ ซึ่งปรับเงื่อนไภายในจะง่ายกว่าปรับแค่สองเรื่องคือสบายนะไม่สบายถ้ามันไม่ใสบายก็ปรับให้มันสบายสบายเกินไปก็ปรับให้มันไม่สบายขึ้นมาหน่อยเนี่ปรับให้อยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นวิถีของวิปัสสนานะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะดึงจิตกลับมาสู่อวิชชาภายในได้มากขึ้นถ้าเราเห็นความจําเป็นและสําคัญเมื่อจิตเข้ามาสู่ภายในมากขึ้นจิตก็จะรวมตัวกันโดย ดยง่ายเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเพราะสัมมาสมาธินั้นเอาตัวสภาวะธรรมหรือปรมาธรรมเป็นอารมณ์คือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นคือเหลือแค่สองคือความรู้สึกพอใจและไม่พอใจน่ะเข้ามา เป็นตัวนิมิตเฝ้าดูโดยที่ไม่แยกย่อยว่าไอความรู้สึกนี่มาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือมาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เรามาเฝ้าดูอาการของจิตเลยทีเดียวมีแค่สองอาการคือการสุขอาการทุกข์อาการสบายแล้วไม่สบายอาการชอบไม่ชอบอาการอาพอใจหรือไม่พอใจตามดูแค่นี้แหละถ้ามันไม่สบายทางกายก็ปรับความไม่สบายออกไปถ้ามันสบายเกินไปก็ไปไ ป, ปรับเป็นกลาง แต่ปจัจจุบันนัปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ชำชองถึงขนาดนั้นเราก็เลยความไม่สบายเรารู้วิธีแก้แต่บางทีเราก็ไม่แก้มันความสบายเกินไปเราแทบจะแก้ไม่เป็นเรามีแต่เสพใช่ไหมพอนั่งแล้วสบายนานๆแล้วก็นั่งต่อไปเรื่อยๆแต่ความสบายมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงใช่ไหมมันก็เปลี่ยนเป็นความไม่สบายพอเปลี่ยนเป็นความไม่สบายปับ๊บเราก็แช่ในความไม่สบายอกีก มันก็เกิดการต่อต้านเกิดการาเบื่อการเซ่งการลำคาญการไม่พอใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นไปทางนู้นอีกเรากับเพราะนั้นการมาศึกษาทั้งสองด้านเมื่อความาสิ่งที่นำไปสู่ความพอใจเราก็ต้องศึกษาเพื่อที่จะไม่เข้าไปเสพสิ่งที่นำเข้าไปสู่ความไม่น่าพึงพอใจเราเข้าไปศึกษาก็ไม่ควรไปต่อต้าน แต่ยอมรับทั้งสองสภาวะแล้วปรับให้เป็นกลางให้ได้อันนี้คือหลักของวิปัสสนาเรื่มัชิมาปฏิปทาหรือถ้าหากว่าเราไปเสพในส่วนที่น่าพอใจสบายก็เป็นตรงอีกทางหนึ่งเร้วว่ากามสุขในกาลโยกที่พระพุทธเจ้าบอกให้ละให้ละทางทั้งสองใช่พอเราไปต้านต่อความไม่สบายความเจ็บความปวดความไม่สบายความอึดอัดขาดเคืองความเวทนาที่รุนแรงเราก็ ไม่ยอมรับเราก็ต้านเราก็พยายามที่จะหนีพยายามที่จะหลบพยายามที่จะาหาทางหลีกเลี่ยงอ่ามันก็กลายเป็นตัวอดัดจัดเลื่มมรรนุโยคเพราะมันเป็นความจริงที่เาจะหลบเลี่ยงไม่ได้ยิ่งหลบเลี่ยงก็ยิ่งทุกข์เป็นอดัดจัดเลื่มมรนุโย่แต่พอมาเรียนวิปัสสนาเกิดปัญญาพระท่านให้ปรับทั้งสองส่วนปรับทั้งความสบายเมื่อพอไม่สบายเนี่ยให้เป็นกลาง ไม่ให้ไปติดยึดในความสบายหมายความ่มานั่งสบายแล้วก็ลุกหนีใช่พอนั่งรู้สึกไม่สบายแล้ก็เปลี่ยนใะแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นพอนร่มนั่งสบายแล้วก็นั่งไปเรื่อยเื่อยเรามายอมลุกหนีใช่ไหมแต่รู้สึกนั่งไม่สบายถึงแกบางทีก็แชดก็ถือว่าเอาตัวไม่สบายนั่นแหละเป็นนิมิตในการเพ่งจิตเข้าไปเพื่อทรมานจิตอีกที่หนึ่งถือว่าเป็นการบําเพ็ญขันติบารามี แต่ความจริงแล้วในแง่ของวิปัสนาถูกไหมในข้อแง่ของวิสมสสนานั้นถูกคือต้องการเอารูปเป็นอารมณ์อยู่แล้วไม่ว่ารูปหยาบรูปรละเอียดรูปดีรูปก็เป็นอารมณ์แต่ในแง่ของวิปัสนาไม่ใช่ในแง่ของวิปัสสนานั้นเมื่อเกิดอาการไม่สบายกายไม่สบายใจก็ต้องเข้าไปคือนั่นเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อ่ะถามว่านั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันสุขหรือมันทุกข์ มันทุกมันทุกเพราะอะไรเพราะเรานั่งทับมันถ้านั่งทับมันต่อไปมันก็นทุกข์เรืยเรื่อยท่านบอกว่าเหตุแห่งทุกข์ให้ละใช่ไหมแต่เรากลับไม่ละเรากลับไปสู้กับมันเร า, ากลับไปกดไปทับมันง่ายๆเลยนะแต่ว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือต้องละหมายความว่าเหตุให้เกิดคือคือนั่งท่านเนี้ยมันเป็นเหตุให้ปวดขาก็ละท่านั้นเสีย ค, คือเปลี่ยนอิริยาบถไปเนี่ยละเหตุของมันเราไม่ได้ละทุกข์ตัวนั้นแต่ละเหตุของทุกข์แต่ทุกข์มันหายไปเอง เดี๋ยวพอเปลี่ยนไปเมื่อเกิดใหม่ <c oughs> ด้วยกฎของความเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาของมันเปลี่ยนไปตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้ใจถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ชัดๆนะการยืนการนั่งการปฏิบัติของเราทั้งวันมันก็จะรู้สึกไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวเพราะความสงบก็ไม่ได้ปัญญาเพื่อที่จะเห็นความาสุดต่งทั้งสองข้างของสุขและทุกขก์ก็ไม่ได้เพราะเราจะมัวที่จะเสพ ในเมื่อมันสุกละมวที่จะหนีในเมื่อมันทุกข์ในที่จะหลบจะเลี่ยงจะกบจะเกลื่อนเมื่อมันทุกข์แต่เราไม่ได้จับทั้งสองด้านมามาหามาวิเคราะห์หามาวิจัยหาสภาวะที่พอดีมันจึงจิตก็เราเป็นกลางได้ยากนัน้นเองเราก็จะต้องทําซ้ำซากแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้สติมากขึ้นได้ปัญญามากขึ้นแต่ค่อยครู้เท่าทันสุขรู้เท่าทนทุกข์บ่อยขึ้น สุขพุกมาสิบครั้งเรารู้สักหครั้งสิบห้าครั้งเจ็ดครั้งก็ค่อยๆขยับไปสุขมากี่ครั้งความสบายกายความสบายกายเปลี่ยนอีบทุกครั้งมันก็สบายขึ้นเราได้ตามรู้มันไหมเมื่อนั่งไปนานๆมันหนักหน่วงปวดเมื่อยขึ้นเราได้ตามรู้มันไหมเราได้สมดุลเราได้ปรับแก้อะไรมันไหมเนี่ยถ้าหากว่าเราค่อยสังเกตอย่างนี้บ่อยๆมีข้อสังเกตอยงนี้บ่อยๆัว สภาวะของจิตมันก็จะได้สั่งสมประสบการณ์ที่มันเข้าไปรับรู้ต่อสุขต่อทุกตลอดเวลาตัวที่จิตเกิดเ x p e r i เ n c ีย์คือเกิดการเรียนรู้ต่อสุขต่อตัวนี้มันกลายมาเป็นตัวศีลเป็นสมาธิปัญญาในตัวเลยนะเพราะจิตก็จะฉลาดขึ้นว่าเอ้สุขจริงๆมันเป็นอย่างนี้ ทุกจริงมันเป็นอย่างนี้ทั้งสุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่น่าที่จะประยึดทั้งสองข้างแต่เราก็ไม่ทิ้งเราไม่ยึดแต่เราก็ไม่ทิ้งแต่เลือกหาข้อดีระหว่างสุขระหว่างทุกข์เอามาใช้ปรับให้พอดีเหมือนเราเลือกใช้น้ําและไฟในบ้านของเราน้ําและไฟต่างก็เป็นได้ทั้งคุณและโทษในเวลาเดียวกันแต่เราก็ปรับ ให้มันเหมาะสมให้เป็นประโยชน์ไฟสามารถที่จะถ้ามันทําผิดระบบใช้ไม่ถูกไฟก็พร้อมที่จะไหม้แต่เราตายชอดเราตายได้แต่เวลาแต่พอทําให้ถูกระบบไฟกับอำนวยความสะดวกทั้งแสงสว่างหุงข้าวต้มแกงสารพัดอย่างอำนวยความสะดวกให้เราไม่เป็นโทษเพราะเรารู้จักปรับใช้น้ําก็เช่นเดียวกันเข้ามาในบ้านเราถ้าเกินมันแตกมันรั่วเป็นปัญหาเดือดร้อน แต่พอเราปรับเข้าที่เข้าทางต้องการให้เปิดก็เปิดได้ต้องการให้ปิดก็ปิดได้มันเป็นอันเดอร์คอนโทรลเงื่อนไขที่อยู่ในร่างกายของเราถ้ามันอยู่ในภาวะที่เราควบคุมได้สิ่งนั้นจะอำนวยความสะดวกให้กับเราฉันใดก็ดีภาวะของสุขเหมือนน้ำสภาวะของทุกข์เหมือนไฟถ้าเราสามารถปรับให้มันอยู่ใต้ภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมมันได้เนี่ยสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในี้ในใจนี้มันกลับจะเป็น ส่วนอำนวยความสะดวกให้แกเราเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าสุขทุกนี้เหมือนนั่งรถไฟที่เราควบคุมมันไม่ได้ไม่สามารถควบคุมไม่สามารถเปิดปิดได้ตามต้องการสุขทุกภายในร่างกายพร้อมที่จะทำให้เราขึ้นสวรรค์ตกนรกก็ได้ในเวลาเดียวกันเพราะนั้นนรกก็เป็นที่ไปของเป็นที่ไปสู่เป็นที่มาจากทุกขเวทนาสวรรค์ก็มาจากสุขเวทนานั่นเอง แต่พระองค์ท่านเห็นว่าเมื่อไปนรกก็ไม่พ้นสวรรค์เมื่อไปสวรรค์ก็ไม่พ้นนรกอยู่ดีท่านจึงให้ไปอีกทางหนึ่งที่ไม่ต้องไปทั้งสองข้างนั้นไปตรงกลางที่ไปเหนือทั้งสวรรค์นรกท่านใช้ว่าโลกุตระ <c oughs> หรืออริยภูมินี่คือไม่ทิ้งสุขไม่ทิ้งทุกแต่ไม่ยึดสุขไม่ยึดทุกแต่ใช้สุขใช้ทุกเป็นสะพานที่จะนาไปเหนือสุขเหนือทุก ไฟเข้ามาในบ้านน้ําก็เข้ามาในบ้านเราไม่ได้ทอดทิ้งแต่เราก็ปรับเงื่อนไขให้มันใช้ได้ตามต้องการอยู่ในควบคุมของเราต้องการออฟก็ได้ต้องการอ่อนก็ได้ตลอดเวลาแต่สุขทุกข์ในร่างกายของเราถ้าเราปรับตามเงื่อนไขนี้ไม่ได้เนี่ยเรา อ, อ็อฟเราอ่อนมันไม่ได้ตามต้องการนั่นก็เรียกเป็นเงื่อนไขที่เราโอเวอร์คอนโทรลเราไม่ควบคุมมันไม่ได้อันนั้นคือเหตุของทุกข์นะ ความเจ็บป่วยของร่างกายที่มันอยู่ในเงื่อนไขแล้วรักษาได้โอเคเรามั่นใจว่าเราไม่กังวลรักษาได้แต่ความเจ็บป่วยในร่างกายบางอย่างเรารู้สึกไม่รู้ที่ไปที่มาเราไม่รู้จะรักษายอย่างไรให้มันหายเรารู้สึกวิตกกังวลและไปทุกข์กับเงื่อนไขอันนั้นใช่ไหมฉันใดก็ดีสุขทุกข์ในร่างกายของเราถ้ามันอยู่ในให้การปรับให้อยู่ในเงื่อนไขที่ปรับได้ตลอดเวลานั้นเราต้องรู้สาเหตุของมันว่าสุขเกิดเพราะอะไรทุกข์ เกิดเพราะอะไรโรคชนิดเกิดเพราะอะไรและมันจะหายไปได้อย่างไรและมันจะเกิดขึ้นได้ต่อไปอย่างไรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอยู่ในเงื่อนไขที่ควบคุมได้เราก็จะไม่ไปทุกข์และวิตกกวลกับโรคอันนั้นเหมือนกับโรคปัจจุบันขณะเรานั่งเรารู้สึกปวดตะโภคหนักตะโภกเรารู้เงื่อนไขว่ามันเพราะว่าเราไปนั่งทับอะไรบางอย่างนั่งทับอนิจจังเกิดทุกขังอานาตตาพอมาปรับเปลี่ยนปั๊บเรารู้ว่าไอ ทุกก้อนเนื้อที่มันถ่วงอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเรารู้ว่าเราสามารถจะปรับออกได้เพียงแต่เราขยับมันก็หลุดเราก็เลยไม่วิตกกระโลกังวลกับทุกในการนั่งเพราะเรารู้เงื่อนไขว่าเราจะปรับมันออกได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะโรคตับโรคไตโรคอะไรสักอย่างอยู่ข้างในเราไม่รู้สาเหตุเรารู้สึกวิตกกังวลว่าเออเราจะทําให้มันหายได้อย่างไร แล้วก็เป็นกังวลกับมันอันนี้ทุกเป็นเหตุเกิดทุกเพราะเราควบคุมไม่ได้แต่สุขทุกข์ที่เราสามารถรู้ที่ไปที่มาเราควบคุม ไ, มได้เราไม่ซื้อรู้สึกวิตกกระวลเราทํางานหนักได้ทั้งวันเพราะเรารู้ว่าเมื่อหยุดงานแล้วก็ได้สบายทั้งที่ที่เราหนักเล่าเหนื่อยบางครั้งอาการหนักเหนื่อยจากการทำงานมันหนักกว่าการเจ็บป่วยที่กแต่เรารู้ว่าเราเป็นคนเปิดมันและเราก็คนปิดปิดมันได้ด้วยเราก็ไม่รู้สึกุบ ไม่รู้สึกวิตกกังวลกับความทุกข์ที่เกิดจากการทํางานหนักเพราะเรารู้เงื่อนไขว่าเพราะเหตุไรเพราะเราเป็นผู้ทําเป็นผู้เปิดประเด็นเองและผู้เป็นปิดประเด็นได้ด้วยนะอันนี้คือสาเหตุที่เราต้องศึกษาวิปัสนาเพื่อให้เห็นเหตุเกิดทั้งสุขและทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์อย่างเดียวไม่พอต้องเห็นเหตุเกิดสุขด้วยนะแต่พระพุทธเจ้าท่าน ไม่ให้ยึดทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะสุขก็เกิดจากทุกข์ทุกข์ก็เกิดจากสุขเป็นอัญญะมัญญปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดแต่พระพุทธเจ้าไปอีกมิติหนึ่งว่าให้ไปเหนือทั้งสองอย่างเพราะต่างก็เป็นเพียงเวทนาสุขก็เป็นเพียงเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาไม่ตัวไม่ใช่ตัวสัจจะสภาวะคือไม่ใช่ตัวคงที่แต่ตัวหนึ่งที่มันอยู่เหนือทั้งอูเหนือเวทนาตัวนี้เรียกว่าสติ เพราะสติกับเวทนาเนี่ยคล้ายๆกันเพราะต่างก็เป็นตัวรู้ตัวรู้อันหนึ่งนะ่ะเป็นตัวที่เราเสพเสวยและตัวที่เราทอดทิ้งคือเวทนาถ้าเป็นสุขเวทนาเราเสพเสวยถ้าเป็นทุกขเวทนาเราพยายามที่จะหนีจะทิ้งแต่ตัวที่เข้าไปรู้ว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์นั่นนะ่ะตัวนั้นคือตัวรู้อันหนึ่งถ้าตัวรู้นั้นไม่ได้พัฒนาเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้พัฒนาเป็นปัญญาญาณ ตัวรู้นั้นก็จะรับใช้สุขรับใช้ทุกขต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาจเจริญวิปัสนาเราจึงมาแยกเอาตัวรู้นี้ออกมาต่างหากคือไม่ให้ไหลาตามสุขไม่ให้ความรู้สึกชนิดนี้ไปรับใช้สุขไปรับใช้ทุกขแต่ให้มาเป็นผู้ดูสุขดูทุกแยกตัวนี้ออกมาเสมือนเราแยกมเมล็ดออกจากฝัก แยกออกมาทังหากถ้ามันปล่อยให้มันอยู่ในฝักมันก็ตายด้วยกันเน่าไปทั้งฝักแต่พอเราแยกมเมล็ดออกมาปั๊บเนี่ยอ่ามันก็จะไม่เน่าเสียไปตามนั้นฉันใดก็ดีพอเราแยกตัวรู้ออกมาจากความพอใจไม่พอใจแทนที่จะให้รู้จากความพอใจแล้วไปเสวยรู้จากความไม่พอใจแล้วหนีห่างตัวรู้ตัวนี้ก็จะไม่เสียไปกับทั้งสองอย่างแต่ตัวรู้ตัวนี้แยกออกมา ตัวนี้เรียกว่าสติคือการตามระลึกรู้เท่านั้นไม่ได้ตามเสวยตามรู้แต่ไม่ได้ตามเสบไม่ได้ตามที่จะผลักดันมันนะเพราะนั้นตัวรู้ตัวนี้เราจึงทำให้ให้เด่นชัดมากให้เด่นชัดให้มีพลังทำตัวรู้นี้ให้มีพลังถ้าตัวรู้เฉยๆที่ไม่มีพลังความมันก็สิ่งที่มันเคยเสบมาตลอดพบชาติกับกันเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะไปเสพตัวนั้นอีก นะไปเสีบสุขเสีบทุกเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักที่เราต้องศึกษาทั้งสี่และสี่ขาจิตใสี่ขาและปัญญาสิ่ขานะทั้งสามอย่างก็จะเป็นองค์ของวิปัสสนาะทีนี้เมื่อเรารู้หลักอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรก็จะต้องมาเพิ่มอยู่สองหลักคือมาเพิ่มศรัทธาและเป็นเออซ่มศรัทธาและความเพียร ถ้าเราจะนำอวิปักษนานาหน้าศรัทธาและความเพียรต้องเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะได้เพิ่มกำลังของตัวรู้ศรัทธารักที่จะทำฝักใฝ่ที่จะทำชอบที่จะทำแล้วก็เรียกว่าเข้าไปาศึกษาค้นคว้าด้วยความาเข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็เพียรทำต่อเนื่องเรียกวเป็นวิริยะ เนื้นการในคําสอนของพระพุทธเจ้าในจุดนี้ชัดเจนมากแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยเวลาเป็นนักปฏิบัติเราไม่ค่อยมานั่งวิเคราะห์วิจัยกันในเรื่องเหล่านี้เราก็จะฟังไปตามศรัทธาพูดถึงเรื่องได้อา น, นิสงส์อย่างนั้นได้อา น, นิสงส์อย่างนี้ต้องทําแบบอย่างนั้นต้องทําแผนอย่างนี้ต้องทําปริยัติหลักปริยัติว่าอย่างนั้นหลักการอาจารย์นะว่าอย่างนี้ไปนอกหมดเลยแต่เราไม่ได้กลับเข้ามาวิเคราะห์ในสภาวะที่มันกาลังมีกําลังเป็นอยู่ มันถึงได้ไกลห่างไกลตัวเองไปเรื่อยๆไงอันนั้นอันนี้คือเราจะเห็นว่าการที่จะมาเจาะเข้าถึงข้อมูลในตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอาศัยบรรยากาศที่เ อ, อื้อแล้วก็วิธีการที่ที่เจาะลงไปโดยเฉพาะในวิธีการหอวงพ่เทียนเป็นการเข้าไปศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพา ะ, ะแต่ลวงพ่เทียนท่านเป็นต้นที่จะจุดประเด็นในเรื่องของสติ แบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้สานต่อไปตามยุคสมัยของเราตามวัยของเราตามสติปัญญาของเราแต่ท่านเป็นคนจุดประเด็นขึ้นให้เราเหมือนกับท่านจุดแสงสว่างในที่มืดแล้วเมื่อเราได้แสงสว่างแล้วเราจะเดินไปทางไหนนั่นเป็นเรื่องของเราละเพราะคนมีดวงตาแล้วนี่จะเดินไปก็จะต้องรู้ว่าอันไหนมันอันตรายอันไหนมันถูกอันไหนมันใช่อั น, น, นไหนมันจะรู้ของมันเอง ท่านจุดประเด็นขึ้นมาเราก็มาจุดต่อจากท่านอ่าอันนี้คือคือเมื่อก่อนเนี่ยถามว่าเกจิอาจารย์ท่านอื่นได้เน้นสอนไว้เรื่องนี้เน้นแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกท่านเน้นไปหลายๆจุดศีลก็ดีสมาธิก็กดีปัญญาก็ดีสติก็ดีญาณก็ดีฌานก็ ด, กดีเมตาก็ดีกรุณาก็ดีไปหลายๆจุดทีนี้เราก็คว้าหลายๆจุด ปรากฏมันไม่ทันเวลาแต่พอหลวงพ่อเทียนเกิดขึ้นมาท่านชี้จุดเดียวโปะลงไปว่าตัวนี้นะถ้าทำตัวนี้ได้ตัวอื่นมันทะลุหากันหมดคุณไม่ต้องไปวิ่งหาจงนู้นตรงนี้ถ้าคุณจะวิ่งหาบ่อน้ําตื้นเนี่ยคุณบ่อนี้แห้งคุณก็ไปหาบ่อนั้นบ่อนั้นแห้งคุณไปหาบ่อนั้นไปร้อยบ่อบรรท์มไม่จบแต่คุณยอมเจาะเสื้อบ่อเดียวเจาะให้ลึกให้มันทะลุถึงตาน้ําเลยทีเดียวแล้วคุณไม่ต้องไปวิ่งหาน้ำอีกหลายๆที่ นี่คือวิธีการของพุทียนเจาะทะลุให้ถึงหลั ก, ลกสติแต่มันจะผ่านชั้นของความรู้ต่างๆลงไปผ่านสยินผ่านสมาธิผ่านปัญญาผ่านฮิริโอตปะผ่านญาณทัศนะผ่านไปเรื่อยๆผ่านวิปัสนาญาณลงไปเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปจนกระทั่งถึงตานา้าคือมรรคผลนะแต่ออเวลาที่เจาะลงไปมันก็เจอตานา้าตาตื้นๆ ต, ตาเล็กๆตาสั้นๆ ไม่นานมก็แห้งแต่เราก็ไม่พอใจแค่นั้นไปจิตเราได้สมาธิเราไม่พอใจแค่นั้นอไปได้ปัญญาไม่พอใจแค่นั้นไปได้ญาณไม่พอใไปได้วิปัสนาญาณฉะนั้นฉะนั้นเจอไปเรื่อยๆจนไปถึงตัวญาณทัศนวิมุติถึงตานหนามของมันเราก็จิตเราก็หยุดอยู่แค่นั้นนี่คือหลักในวิธีการวิธีการอันนี้นะฮะฉะนั้นจึงไม่อยากจะให้เราซึ่งเป็นคนวัดคนวาฝักใฝ่สแสวงหาวิธีการปฏิบัติมา เยอะมานานเนี่ยก็ไม่อยากให้เสียเวลากับเรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องไร้สาระเรื่องที่มันมันผ่านมาแล้วอะ่ะทุกคนมีศรัทธาไม่เคยไม่ต้องเป็นต้องใครมากระตุ้นกระเจิงให้เรามากหรอกทุกคนมีสมาธิได้ทามาพอสมควรแต่ตัวปัญญาที่จะเข้าไปสู่หลักของวิปัสสนาญาณเนี่ยเราไม่ค่อยได้ลงลึกกันเท่าไหร่นะเราเต็มไปด้วยรูปแบบวิธีการาศาสนพิธีธรรมกถา ตลำรลามากมายปัจจุบันนี่ที่เราเห็นแต่เราก็ต้องยอมรับเพราะนั่นเป็นวิธีของสังคมเป็นวิธีของวัฒนธรรมอ่าะนั้นในการมาปฏิบัติของเราจึงใช้หลักว่าวันทั้งวันให้ท่านเดินวิเคราะห์วิจัยตัวเองแล้วเราก็จะสรุปให้จนเช้าอนเย็นเั่เองว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมที่เราทำถ้ามันไม่ใช่อย่างนี้ก็ต้องไปปรับแต่ถ้าสิ่งที่มานาเสนอมถามว่าถูกหรือไม่ถูก แล้วก็เปิดโอกาสให้หลังจากบรรยายเสร็จเปิดให้ถามว่าตรงนี้ใช่ไหมหรือไม่ใช่ <c oughs> จุดไหนไม่ใช่เราคานกันได้ที่หลวงพ่อพูดนันไม่ใช่นะน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมทุกครั้งที่หลังจากบรรยายแล้วใช่ไหมเราเปิดโอกาสให้แก่ถามแต่ถ้าหาไม่มีการถามแสดงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดถูกต้องใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องเอาไปพิสูจน์แล้วทีนี้ขั้นไปพิสูจน์แต่ส่วนจะพิสูจน์ได้มากน้อยแค่ไหนนขึ้นอยู่กับภูมิ ทำภูมิปัญญาของแต่ละคนนะบางคนก็มีพื้นฐานมายาวนานก็วิเคราะห์ได้ชัดเจนบางคนมีพื้นฐานมาปางกลางก็ยังคุมเครืออยู่บางคนไม่มีพื้นฐานมาเลยก็ยังงงๆยังไม่รู้เหนือรู้ได้ว่าท่านพูดอะไรนะีอันนี้ก็พื้นฐานมาไม่เหมือนกันและเราค่อยๆเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆนะอันนั้นลําดับต่อไปนี้เป็นเวาลาของการถามปัญหา ให้มีอะไรที่ที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดตรงไหนหน้าสงสัยแล้วก็ในส่วนไหนที่น่าจะวิเคราะห์ให้มันจะกระจ่างกว่านี้ที่โยมเข้าใจได้ก็ <c oughs> เรียกว่าธรรมะชากระฉาในสนทนาธรรมก็ได้ใครจะทำอะไรก่อนก็เชิญถ้าไม่ถามถือว่าเข้าใจหมดนะ แต่ถ้าเราก็่อถามกลับเราตอบไม่ได้ก็ถือว่าเข้าใจไปคนละแบบเ <laughs> ข้าใจไปคนละแบบถ้าจะถามว่าพ่อเห็นไรท่านจึงแบ่งภาวนาเป็นสองอย่างเป็นสมถะด้วยปริศ น, นาด้วยเนี่ยเราจะตอบว่าไงทําไมไม่มีอย่างเดียวทําไมต้องสองอย่างเอาอย่างเดียวมันง่ายกว่าแต่ทําไมต้องแบ่งเป็นสองอย่างทําไมต้องสองอย่างทำไมไม่เอาอย่างเดียว อันนี้เราว่ามาหลายวันแล้วนะถ้าคุณจับประเด็นได้เนี่ยจะไม่งงเลยว่ากำเนิดของชีวิตมันเกิดแค่ของสองสิ่งหลวงพ่อพูดมาหลายวันแล้วใช่ไหมเกิดจากอะไรมีการอะไรเกิดเกิดกระดับมีการเกิดและการดับใช่ไหมมีแค่สองอย่างแค่นั้นโลกิยะโลกุตระสมถาวิปัสสนากายใจหยุดนิ่งเคลื่อนทีนี้ถ้าจะถามต่อไปว่าสมมติว่า สมถะ h a กวิปัสสนาเกิดมาจากกาเนิดมาจากการเกิดและการดับสองอย่างนี้อย่างไหนควรจะเป็นเกิดอย่างไหนควรจะเป็นดับระหว่างสมถ t h วิปัสสนาถ้าคิดแล้วต้องตอบได้ดเกิดเกิดได้มีการสิ้นสุดไหมดับมีการสิ้นสุดไหมอันไหนสิ้นสุดอันไหนไม่สิ้นสุดสมร t ไม่สิ้นสุดเพราะยังมีเชื้อเหลืออยู่ถึงสุดไปแค่พรมวิปัสสนาสิ้นสุด เพราะไปถึงนี่ผ่านได้เพราะนั้นวิปัสนาควรจะเป็นดับสมถะควรจะเป็นเกิดอ่าริ่มดิ่มได้เขาละทีนี้ระหว่างสุขกับทุกข์อันไหนเป็นเกิดอันไหนเป็นดับแต่นี่ต้องหลงประเด็นแ น, น่นอ น, นถ้าใครตอบได้นี่ถือว่าตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับก็ทั้งส อ, งอย่าง <laughs> <laughs> ก็ต้องมีสมูทยัยใช่ไหม มีที่เกิดสุขก็มีสมุทัยของสุขเพราะฉะนั้นในสุขในทุกขนั้นเป็นตัวเกิดทั้งสองตัวแต่ตัวรู้สุขรู้จักสุขรู้จักทุกตัวรู้จักนั้นเป็นตัวดับใช่ไหมเพราะสุขก็คือทุกน้อยทุกก็คือสุขน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้น ทั้งสองอย่างก็คือทุกข์นั่นเองแต่ว่าอันไหนมันมากเราเรียกว่าทุกข์มันน้อยเรียกว่าเราสุขเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์เป็นสิ่งเดียวกันต่างกันมากหรือน้อยเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเป็นตัวเกิดทั้งสองตัวแต่ตัวดับคือตัวที่เข้าไปรู้สุขรู้ทุกข์เป็นตัวดับ อ, อันนี้คือโลกทั้งโลกจึงอยู่ด้วยกันโดยการเป็นของคู่แต่ถ้าเป็นของคู่เนี่ยมันไม่สิ้นสุดใช่ไหม มันจะต้องมาเป็นหนึ่งทำสมถะและวิปัสนาให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราเรียกอะไรถ้าสมถะนั้นทําให้เกิดปัญญาได้ก็เป็นวิปัสนาถ้าวิปัสนานั้นทําให้เกิดปัญญาได้ก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างมาจบที่ว่าตัวโลกุติรปัญญาเป็นหนึ่งใช่ไหม ทั้งสมรรถและวิปัสนาท่านนางถ้าทั้งสองอย่างนําไปสู่ตัวโลกุตรปัญญาได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวได้แต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งนำไปสู่โลกุตระปัญญาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นตัวเกิดอยู่วิปัสนาจะเป็นตัวเกิดก็ได้เพราะวิปัสนาที่ผิดทางสมรรถจะนําไปสู่ตัวดับก็ได้เพราะเป็นสมรถรที่ถูกทางก็นําไปสู่วิปัสนาเข้าใจไหมโอเคเอาละทีนี้คําถามต่อไประหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ใครควรจะเป็นเกิดใครควรจะเป็นดับเกิดเอาให้ดีเอาให้ดีปัญหาง่ายๆแต่ตอบยากผู้หญิงเกิดเพราะทำให้เกิดทุกข์มากใช่ไหมแต่ผู้ชายเข้าไปแก้ปัญหาต้องไปเป็นดับทุกข์ใช่ไหมตอบอย่างนั้นดีปะ อันนี้ยอมตอบเองนะผู้หญิงเป็นฝ่ายเกิดผู้หญิงยอมไหมอ๋อนั่นเห็นไหมไป <c oughs> ง่ายๆเลยนะทําให้เกิดความสุขในคะรอบครัวแล้วทําให้เกิดลูกได้ด้วยใช่ไหม <c oughs> อันนี้อย่าหลงประเด็นทั้งชายและหญิงต่างก็มาจากการเกิด <c oughs> ใช่ไหมแต่ทั้งชายแนละหญิงนี่เองถ้าหากว่าในความเป็นชายเป็นหญิงที่อยู่ภายนอกเนี่ยคือสมมุติอันหนึ่งใช่ไหมแต่ความเป็นชายเป็นหญิงที่แท้จริงมาจากไหน ความเป็นชายเป็นหญิงอยู่ความเป็นชายอยู่ในผู้หญิงความเป็นหญิงก็อยู่ในผู้ชายเพราะในความเป็นผู้หญิงมีความเข้มแข็งอยู่ด้วยใช่ไหมและในความเป็นผู้ชายก็มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนเหมือนผู้หญิงก็มีอยู่ด้วยแต่เมื่อใดเราสามารถบาลานซ์ระหว่างความเป็นหญิงเป็นชายในตัวเองได้สําเร็จเมื่อนั้นเรารวมหญิงและชายอยู่ในตัวเดียวกันอันนั้นคือทำสองให้เป็นหนึ่งเราจะเข้าถึงตัวสภาวะคนนั้นก็ไม่ต้องแต่งงานเพราะมีความสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราคนที่จะเป็น สแสวงหาความเป็นหญิงเป็นชายในตัวเองเพื่อจะได้ไม่ต้องทุกข์เพราะความเป็นหญิงเป็นชายเอเป็นปรัชญาไปหรือเปล่า น, นี่นะอันนี้เป็นสัจจะนะไม่ใช่เป็นปรัชญาแน่นอนเพราะนั้นในในเกิดก็มีดับอยู่ในดับก็มีเกิดอยู่ในสุขก็มีทุกข์อยู่ในทุกข์ก็มีสุขอยู่แต่มีสัดส่วนถ้าหากว่ามีสัดส่วนมากมันก็เอ็ไปทางนั้นในทุกข์ถ้ามีสุขอยู่น้อยก็ เ, เรียกว่า ใ ส, สส่วนมีสุขน้อยเขาเรียกว่าสุขก็มีส่ ส, ส่วนแห่งทุกข์เหมือนกันแต่มันมีทุกข์น้อยเท่านั้นเองดังนั้นเองเมื่อเราแสวงหาในลักษณะของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั้งสี่ธาตุเนี่ยแบ่งเป็นสองขัว้วคนละสองธาตุธาตุไหนคนจะเป็นธาตุของหญิงธาตุไหนคนจะเป็นธาตุของชายคนละสองธาตุ ช่วยกันแบ่งดูอ้าวผู้ชายว่าไงว่าผู้หญิงควรจะเป็นธาตุไหนผู้ชายหาให้เจอก่อนหาของง่ายๆให้เจอก่อนผู้ชายควรจะเป็นธาตุไหนบ้างโดมกับไฟเพราะลักษณะของผู้ชายต้องดูลักษณะดูลักษณะของผู้ชายคือลักษณะที่เข้มแข็งใช่ไหมก้าวร้าวรุนแรงเ ร, ร่าร้อน<ด>เพราะฉะนั้น<ด>ควรจะเป็นธาตุอะไรผู้ชาย ดินกับไฟใช่ไหมผู้หญิงควรจะเป็นน้ำกับลมถึงจะดับไฟได้อ่าผู้ชายรับไหมรับนะถูกตัดสินแล้วว่าให้เป็นดินกับไฟยอมสวัสดิ์เห็นด้วยไหมอ่ายอมรับไฟมาก็ถ้าหากว่าผู้หญิงเปดินกับไฟผู้ชายไปลมกับน้ําเป็นไงไปรอดไหมไม่รอดเ <laughs> ผากันไปก็เผากันมาอยู่นั่นแหละอ่านี่ น, นั้นถ้าเรายอมรับความเป็นจริงของตัวนี้นะผู้หญิงยอมรับความเป็นจริงของผู้ชายเออเขาต้องเข้มแข็งเขาเขา้เข า, เราร้านของเร่าร้อนนี่คือธาตุของเขาแล้วก็ผู้ชายก็ยอมรับความอ่อนแอและอ่อนโยนของผู้หญิงเออเขาก็อ่าไปเหมือ น, กนแกะใส่น้ำเมื่อแกะใส่ลมเอาแน่นนอนไม่ได้ใช่ไหมผู้ชายก็จะไม่ทุกข์เพราะผู้หญิงเพราะเข้าใจธรรมชาติของเขายอมรับไหมยอมรับได้นะ ถ้าต่างคนต่างยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้ในการอะไรกันก็อยู่รวมกันในแง่ของสมมตินะแต่ในแง่ปรมาทในตัวเรามีทั้งธาตุสีดินน้ำลมไฟธาตุลมกับธาตุไฟทำหน้าที่อะไรธาตุดินกับธาตุน้ำทำหน้าที่อะไรธาตุลมธาตุดินกับธาตุน้ำเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเตติกสเตติสติกคือธาตุคงที่ แต่ธาตุลมกับธาตุไฟเป็นแมคาีนิกคือธาตุที่เคลื่อนไหวมุฟตลอดใช่ไหมเ mm hmm. พราะนั้นในแง่ของวิทยาศาสตร์เป็นทั้งแต่สถิติและเป็นแมชชนิกอยู่ในตัวในตัวเดียวกันผู้หญิงมีความเข้มแข็งไหมความร้อนร้อนมีไหม mm hmm. มีผู้ชายก็มีความอ่อนโยนและความนุ่มนวลก็มีเพราะนั้นในในความแต่ละคนก็มีธาตุนี้แต่ว่าอันไหนมากกว่าผู้ชายมีธาตุ ดินและธาตุไฟมากกว่าใช่ไหมก็ออกมาเป็นเพศนี้แต่ผู้หญิงมีธาตุลมกับธาตุน้ํามากกว่าก็ออกมาเป็นเพศนี้เพราะฉะนั้นทั้งสองธาตุนี้ต้องการที่จะไหลเข้าสู่กันต้องอยู่รวมกันดึงดูดสูงกันเพื่อความสมบูรณ์แต่คนไหนที่มาปฏิบัติวิปัสนาสามารถปรับธาตุทั้งสีให้สมดุลในตัวเองได้อาการที่ความแรงดึงดูดที่จะไปอยู่กับของเป็นคู่ก็น้อยลงแรงดึงดูดมันอ่อนลง ถ้าเราเข้าใจดู ว, วิปสัสนาในตัวเองใช่ไหมถ้าหากว่าเด็กของเราได้ปฏิบัติพิปสัสนาเข้าใจตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบเด็กคนนั้นก็ไม่มีความต้องการที่จะแต่งงานนี้แล้วเพราะไล่แรงลึงดูดอีกฝ่ายตรงกันข้ามเพราะตัววิปสัสนา this เข้าไปเข้าใจแล้วจิตของเราก็จะเกิดการปล่อยวางจางคลายจากแรงดึงดูดของธาตุทั้งสองแต่ถ้าหาเราไม่วิปสัสนาอยู่ในใจผู้หญิงก็ต้องแสวงหาธาตุที่ เข้มแข็งเร่าร้อนเข้ามาเสริมผู้ชายก็แสวงหาทา่าที่อ่อนโยนนุ่มไหนหนุ่มนวลเยือกเย็นเข้ามาเสริมเพื่อให้เกิดความสมดุลในตัวเองชีวิตในครอบครัวจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุ น, นี้จึงปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้พิภศนาด้วยไม่ได้แต่งงานด้วยไปไง <c oughs> โอ้โหทุกน่าดูเลยเพราะต้านทั้งสองอย่างนะต้านทั้งทางโลกทา ง, ท ง, ทงเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่แต่งงาน <c oughs> ก็ต้องรีบปฏิบัติพิภสนาหรือคนที่ไม่ต้องการ อีกลเลี่ยงแต่ถ้าหาว่ากรรมที่ตัวเองสั่งสมมาสูงกว่าถึงทําวิปัสสนาก็ต้องไปหาแรงดึงดูดฝ่ายตรงข้ามเพราะมีมีแรงกรรมช่วยหนุนอยู่ตรงนั้นด้วยไม่ใช่ว่าผู้หญิงที่เปิดปฏิบัติที่วิปัสสนาแล้วจะพ้นจากแรงกรรมนี้เสมอก็ไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะพ้นเพราะวิปัสสนาจะช่วยให้เราเกิดการปล่อยวางแรงดึงดูดเหล่านี้ได้อันนี้คือเราต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาเรื่องนี้ชีวิตครอบครัวก็ไม่มีความสุข อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่สองคนก็ไม่มีความสุขใช่ไหมแต่ถ้าศึกษาเรื่องนี้แล้วอยู่สองคนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขแต่ว่าต้องเข้าใจเหมือนกันทั้งสองคนน ะ, ะ <S <S ไม่ใช่ว่าพี่ปรสนาคนเดียวคนไ ม, ม่พี่ปรสนาในะยุ่งเลยหนะันกหน้าดูเลยเพา อ, อีกคนหนึ่งต้องแบ่งน ะ, ะได้อย่างโยมสูงพรอกยกโยมจันทีเนี่ยเป็นวิปสัสนาทั้งสองก็อยู่ก็ได้สบายเหมือนพี่เหมือนน้องเลยเหมือนพ่อเหมือนแม่ไปใช่ไหมแต่ที่จะเป็นผัวเป็นเมียรอ เทำอันนี้เราอันนี้เราไม่ว่ากันนะเออไม่แต่งงานไม่คนไม่แต่งงานนี่เขาเรียกอนาคาลิกหรืออนาคามียเรอได้ถึงสุดถึงแล้วนะน้าจาดูด้วยนะต้องตรวจสอบต่อไปต้องทรวสอบต่อไปนะจริงหรือเปล่าเนอะตรวจสอบต่อไปนะ ในเรื่องนี้แนละ้วเจ้าต้องนํามาวิเคราะห์กันอย่างกว้างขวางนะไม่งั้นเราจะสงสัยว่าทําไมเป็นอย่างนี้เอ๊ะทำไมถึงชอบคนนี้เหลือเกินเออทาไมถึงรักอย่างนี้คือไม่รักไม่ได้หรือเนี่ยถ้าคุณไม่วิพัฒนาคุณจะคิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะแรงอันนั้นมันแรงกรรมมันแรงกว่าแต่วิพัฒนาแล้วแรงกรรมมันจะผ่อนลงแรงดึงดูมันจะผ่อนลงตามอํานาจของปัญญาเนีเพราะฉะนั้นในสมัยครั้งพุทธกาลพระพทุทธเจ้าถึงรีบไปเอาผ้าราหุนมาบวชไงใช่ไหม ท, ทั้งที่อายุเท่าไหร่ตอนนั้น ตอนที่ท่านตรัสรู้ใหม่ๆท่านทิ้งพระราหุนมาแล้วหกปีแล้วใช่ไหมหกปีถึงได้ตรัสรู้ใช่ไหมทีนี้หลังชางตรัสรู้แล้วอีกเจ็ปีท่านถึงจะไปเอาพระลาหุนมาบวชหกบวกเจ็ดไปเท่าไหร่สิบสาตอนนั้นพระลาหุ น, นอายุสิบสองบสาพระพุทธองค์ว่าเออถ้าเกินสิบห้าเอาไม่ได้นะต้องรีบเอามาตอนสิบสองสานี่เอามาได้อยู่วุฒิภาวะทางเด็กพะรับรู้อะไรเป็นอะไรได้แล้วใช่มสิบสามเองแล้วก็ พระรหุลก็ได้ออกบทจริงๆนะเพราะนั้นสมณีในสมัยข้าพุทธกาลมีสามสี่รูปที่ดังๆสมณีลาหุลสมณีที่มุตตกะสมณนสังกิตสมณีอะไรนารทะสองค์ห้าองค์นะจำได้ไหมฮะฮะบันดิตะสมณนที่มุตตกะสมณนสังกิจะสมณนราหุลลาสมณน เป็นสมณี น, นที่ได้บรรลุธรรมนะดังนั้นเองในจุดนี้ไม่มีสมณีนนองค์หนึ่งหน้าสนใจมากท่านอธิมุตตกัดสมณี น, เ, นเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรบวชใหม่อ่าอาจารย์สารีบุตรก็พาไปบินเบาทเขาพาไปบินเทบาตไปเห็นชาวนาเหล่าไอ สมัยก่อนไม่มีกระสุนไม่มีลูกปืนเราเคยใช้ลูกศนะรเนาะเหลาลูกศรเหลามันโคดอะ่ะแล้วก็ไปลนไฟแล้วก็ดัดโดนไฟแล้วก็ดัดสามนเณรเอ๊ะไม้ไม่มีไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันยังดัดได้เลยเราเป็นสิ่งมีชีวิตธรรมจะดัดเราไม่ได้อ่าได้สติเลยเห็นไหมเนี่ยคนที่มีวาสนาบาบ ร, รมีมาก่อนเห็นอะไรเป็นธรรมขึ้นมาทันที อาเดินไปอิกสักพักไปเห็นชาวนาเขานานั้นมันหน้านาเนาะเขาขัดน้ําเข้านาทํำเหมือนรู้ว่าน้ํามันจะไหลไปทไหนโทษเจ้าของน้ามันขุดร่องไปทางไหนน้ํามันไหลไปทางนั้นได้สติอโอน้ําไม่มีชีวิตชีวาแต่มันสามารถดัดฝึกได้อะแต่เรามีชีวิตชีวาทำไมจะฝึกตัวเองไม่ได้พอได้สติสองสาครั้งนี่ก็บอกอาจารย์เลยว่าอาจารย์ผมกลับวัดก่อน อาทำไมจะไปขอนั่งกรรมาฐานางั้นเอองั้นกลับไปก่อนก็แล้วกันก็ไปนั่งกรรมาฐานจนกระทั่งประมาณใกล้จะเที่ยงคือตอนพระสารีบุตรกรรมาจากวิทยาบาทก็สายแล้วแต่ว่าจะเอาข้าวไปถวายสำเนินเลยเนี่ยไปไปคือท่านรู้ว่าสำเนินยังไม่ได้บรรลุธรรมถึงสูงสุดท่านก็ยังไม่กล้าเข้าไปตัง น, นั้นปล่อยจนไปถึงเก็บจะถึงเที่ยง รู้ว่าสำเนินเข้าถึงสภาวะสูงสุดแล้วเลยเอาข้าวไปถวายสมเนินเนี่ยเห็นไมพอมีอุปบนิสัยแล้วแห้บวชเป็นสำเนินทีนี้พอถึงอายุยี่สิบที่จะบวชแต่บ้านสำเนินอยู่ไกลามากไปต้องลัดป่าฝ่าดงไปในสมัย น, นั้นแต่ว่าต้องไปก่อนที่จะบวชเป็นพระเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึงต้องพ่อแม่ต้องอนุญาตเราไปถามเวลาตกฟาก ให้แน่นอนว่าอายุอาจจะครบหรือไม่ครบต้องไปถามเรื่องวันเดือนปีเกิดแล้วไปขออนุญาตจากพ่อแม่แต่ในสมัยนั้นมันมียวดยานใช่ไหมต้องเดินไปกับแต่ว่าเส้นทางนั้นต้องเดินผ่านป่าฝ่าดงไปนะเดินผ่านป่าประดงแต่ในดงนั้นมีซ่องโจรมีชุมโจรอยู่ชุมหนึ่งหมายความว่าพวกที่ผ่านไปดงนั้นยากที่จะรอดแต่สัมเทธิ์ต้องผ่านนะสนัมเทธิ์ต้องผ่าน ในที่สุดพอผ่านไปโน้นโจรก็จับสัมมณินว่าเราจะปล่อยให้ท่านผ่านไปไม่ได้ถ้าผ่านไปท่านไปบอกใครทางนู้้นมาว่าพวกข้าพเจ้าอยู่รือนี้ข้าพเจ้าถูกเจ้าหน้าที่ปลักเพราะนั้นข้าพเจ้าจะเป็นต้องฆ่าสัมมณินสมณินก็ไม่สทุกสถานนะบอกว่าฆ่าก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่า พ่อแม่ได้ข่าวว่าอาจารย์ส่งลูกไปพบท่านแล้วลูกไปไม่ถึงท่านเนี่ยเขาก็ต้องมาตามหาลูกก็ต้องมาเจอพวกท่านอยู่ดีแล้วตามมาด้วยอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่มาด้วยท่านก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นให้ปล่อยให้ข้าพเจ้าไปก่อนไปบอกให้พ่อแม่ทางนู้นทราบแล้วก็กลับมาจะให้ท่านจับได้พ่อแม่จะไม่กังวลแลขะข้าพเจ้าก็จะไม่บอกพ่อแม่ว่าทักพวกท่านอยู่ที่นี่อ่ะถ้าอย่างนั้นตกลง ยอมปล่อยนะก็ปล่อยไป <c oughs> สำเ น, นินก็ไปพบพ่อแม่ถามวันเดินปีแล้วว่าอนุญาตบวชเสียก็กลับมาทีนี้พวกโจรก็ไม่ได้คิดว่าสำเนิจะจะกลับมาหรอกอยังไงก็เอาตัวรอดไปเท่านั้นเองเหมือนกับลายทั่วทไปนะแต่พอเห็นสำเ น, นินกลับมาเฉยเลยโอ้โหเกิดความเรื่มใสโอ้สมเนินี่พูดจริงทําจริงสำเนินเดินมาอย่างสงบไม่สรุกสถานวันกลัวเหมือนเหมือนลายอื่นเลยเกิดความเรื่มใส ว่าสัมเนธตัวเล็กเตามบุตินี่คนรู้ว่าตัวเองจะตายจะถูกฆ่าเนี่ยต้องโอ้ย่าว่าจะเดินกลับมาเลยห้ไปไม่รู้เรื่องเลยว่างั้นเด้ออันนี้เดินกลับมาแล้วก็โดยอาการที่ไม่สะดุเกิดความเลืมใสพากันก้มลงกราบสัมเนธแล้วขอบวัตรสัมเนธก็แล้วได้โจรชุมนั้นมาเป็นลูกศิษย์พามาพบอาจารย์ของตัวเองโอ้ขนาดนั้นเลยน ะ, ะนี่คือคืออาการของการที่ไม่ตกไม่ตื่นเพราะอาการที่มีสติสมบูรณ์แต่คนทั่วไปเป็นไง พอเห็นโจรล็อกก็ไปเป็นลมแล้วว่างั้นเถอะอันนี้เกินเดินกล้ามาเฉยเลยนั่นหมายความว่าอุปนิสัยที่จะรู้สิ่งนี้ไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องหนุม่มต้องแก่ต้องสาวซสก่อนแม้แต่เด็กๆ ก, ก็สามารถจะรู้ได้แต่ขอให้ได้พบครูบาอาจารย์ที่เข้าใจเท่านั้นเองครูบาอาจารย์ที่รู้อัธยาศัยของเด็กว่าเด็กเนี่ยคนจะฟังทำอะไรคนจะรู้ทำอะไรคนจะเข้าใจอะไรแล้วก็บอกสอนนะ แต่นั้นเองในตัวเราทุกคนเนี่ยมันมีธาตุรู้ตัวนี้อยู่ทุกคนที่เรกวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นธาตุรู้แต่วิญญาณธาตุดังได้กล่าวมาแล้วว่ามันยังกระจัดกระจายไปตามอายตนะต่าง ๆ, ๆเช่นจกักรวิญ ญ, ญาณโสตรวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกา ย, ยวิญญาณมนุวิญญาณจิตยังกระจายไปตามอายตนะมันยังไม่รวมเป็นหนึ่งท่านจึงมาให้ทําวิปัสสนามาเจริญสติเพื่ออะไรเพื่อแยกเอาจิตที่มันสซ่านไปตามอายตนะต่างๆออกให้มันเหลือจิตเดียว พอให้มารู้รอยู่จุดใดจุดหนึ่งให้เหลือเพียงเป็นตัวสติรวมอยู่ในตัวรู้สึกตัวตรงนี้เรียกว่ายานวินหายไปไม่มีวิญญาณเป็นยานเหลือแต่ยานและยานตัวนี้เองจะนําไปสู่การรู้เรื่องของจิตอีกทีหนึง่งไปรู้เรื่องของอยายตนะภายนอกภายในภายนอกเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเด่เที่ว่าธรรมะักสุก็คือปัญญาญาณ น, นั่นเองเรื่อธรรมะักสุสามารถ มองทะลุกายทะลุจิตของตัวเองได้เกิดปัญญาเกิดปัญญายาหรือธรรมจักสูขขึ้นมาว่ามองทะลุแล้วเหลือแค่สองอาการคืออะไรเกิดกระดับคำนี้มีพยานอ้างอย่างไรอ้างตรงที่ว่าพระอัญญากทาุทธยะหลังจากได้ฟังธรรมจักกวีสูตรของพระองค์แล้วเข้าใจแล้วอุทานออกมาว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมัติ ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดและมีการดับเท่านั้นนอกจากการเกิดการดับไม่มีอะไรพออุทานคำนี้มาพุทธเจ้าก็อนุโมทนาโอใช่หรือเข้าใจถูกต้องเลยว่าในร่างกายทั้งจิตใจมีแค่าการเกิดและการดับ Unfortunately I forgot you oh, absolutely forgot it Okay Marisa will help you explain about that for one night <laughs> we talk about the, the the supposition and ultimate truth. Supposition truth and ultimate truth, forms are uh, falling away, and arising n d a and falling away. Yeah, that in our life we have two things, arising and passing away all the time. So that thing can uh, s i m p l i f y amplify many, many, many functions in our body. Uh, all of them become part of them, like. a Uh, happy and suffer suffering, uh, like a n dislike, d uh, have the man and lady, and the man and woman. <laughs> uh, everything depends on the two of things. First, we call supposition; it's mean the form, called the form. Second, we call ultimate; we call formless or abstract thing. So we talk about that. พอม้อดีเทลนี่นิทูอักเดืมาริสาคำถามต่อไปไหมเหลือเวลาหนาทีเขาถามสุดท้ายตรงนี้สำหรับสมมุตินั้นมีบุญมีบาปถ้าเป็นปรมัติแล้วไม่มีบุญไม่มีบาปมีแต่สิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาแต่การเข้าไปยึดว่าดีหรือไม่ดีในบุญบาปจึงเกิดเมื่อไม่มีการยึดดีว่าเป็นดีไม่ยึดชั่วว่าเป็นชั่วบุญบาปก็ไม่มีมันอยู่ที่บุญบาปคือเรื่องของอุปท า, าน เมื่อสิ้นอุปทานแล้วบุญบาปนรกสวรรค์ก็ไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่าไม่เข้าไม่เข้าไปเป็นในสิ่งนั้นเท่านั้นเองนะคราบคำถามต่อไปรูปรสกี่เสียงของสมถะกับ ร, รูนี่กเสียงอายตนาภายนอกและภายในมาสมมุติว่าอายตนาภายนอกถ้าเราเป็นอารมณ์ของสมถะอายตนะภายในเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะรรูปรสกลิ่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เป็นของภายนอกหรือภายใน เป็นสิ่งภายนอกหรือภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภ า, ภายนอกใช่ไหมอ่านั่นเป็นอารมณ์ของสมร t แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอยนายตนะภายในใช่ไหมก็เป็นอารมณ์ของมิปัสนาแต่สรุปมาเพียงสองอาการเคืออาการสุขทุกข์หรือพอใจไม่พอใจเท่านั้นเองแต่ว่าในส่วนของสมรถมันมันไม่รวมมันคือ แยกกันอยู่มันถึงจิตไม่สามารถจะรวมเป็นเป็นหนึ่งอย่างยังหมดจากอัตตาได้รวมเป็นหนึ่งได้แต่มันยังมีอัตตาอยู่ใช่ไหมแต่วิปัสนารวมเป็นหนึ่งแต่ไม่มีอัตตาเพราะมันเข้ามาอยู่เอาปรมัตเป็นอารมณ์แต่ตัวสมถะเอารูปเป็นอารมณ์ใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรสก็เป็นรูปแล้วก็ความรู้สึกทางกายก็เป็นรูปอ๋อแย่ไอโฟเกติไม่มี next tomorrow โอเค โอเคเยี่ยมไห h ครับธรรมท่องป a ะดิษฐ์ t ุเดย์อินทร์ฟอร์เ day. หมดเวลานะก็ขออนุโมทนาสาธุในการสุธนาธรรมวิเคราะห์วิจัยธรรมร่วมกันวันนี้เพื่อที่จะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องเวลาเราไปปฏิบัติเราจะได้แก้ปัญหาเป็นเมื่อเกิดปัญหาเพราะกายใจนี้เป็นที่ตั้งของปัญหาปัญหามันต้องเกิดแน่นอนแต่เราจะแก้มัน ได้หรือไม่ได้แก้มาในทางถููโดยทางปิดอันนี้เดี๋ยวจึงต้องได้ตัววิปัสสนาปัญญาขึ้นมาในการปฏิบัติขอให้ทุกคนตั้งใจในการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ให้แจ่มแจ้งจนสามารถได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเทีน